บทที่สิบสองธรรมเสวนาในสวนโพคำปรารบบันทึกฉบับนี้รวบรวมจากคำสนทนาธรรมระหว่างเพื่อนนักปฏิบัติกับผู้เขียนหลายเรื่องพูดถึงการปฏิบัติในแง่มุมต่างๆ บางเรื่องแม้จะปลีดย่อยแต่ก็มีผู้ถามบ่อยถ้ารวบรวมพิมพ์แจกกันอ่านก็อาจจะมีประโยชน์แก่ผู้สนใจบ้างอันหนึ่งถ้าคำตอบในบันทึกนี้จะไปกระทบความรู้สึกของท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยไม่เจตนาแล้วผู้เขียนต้องขออภัยในความเขลาและความรู้เท่าไม่ถึงการของผู้เขียนด้วย ความหมายของการปฏิบัติธรรมถามได้ทราบว่าหลวงพ่อไม่ชอบสนทนาเรื่องอื่นยกเว้นเรื่องการปฏิบัติธรรมและได้เห็นคนบางคนเรียกตนเองว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมจึงอยากทราบว่า การปฏิบัติธรรมคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรถ้าถามว่าการปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาคืออะไรอาตามาก็มักจะตอบว่าการปฏิบัติธรรมคือ 1. กระบวนการเรียน 2. เพื่อให้รู้ความจริงของชีวิต และ 3. ตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ขอขยายความสักเล็กน้อยดังนี้ประการแรกกระบวนการเรียนทางพระพุทธศาสนานั้นมีบทเรียนจุด3มบทคือ 1. ศีลสิกขา 2. จิตสิกขาและ 3. ปัญญาสิกขา ศีลสิกขาเป็นการศึกษาเรื่องการรักษาจิตใจให้เป็นปกติโดยการตัดเครื่องรบกวนอันเกิดจากการกระทำผิดทางกายและวาจาออกจิตสิกขาเป็นการศึกษาว่าทำอย่างไรจิตจะตั้งมั่นและเป็นกลางต่ออารมณ์สามารถรู้อารมณ์รูปนามที่กำลังปรากฏได้โดยไม่คลาดเคลื่อนไปหลงรู้อารมณ์บัญญัติแทน และไม่หลงส่งนอกส่งในไปจมแช่อยู่กับอารมณ์ที่จิตไปรู้เข้าเพราะจิตของคนและสัตว์ทั่วไปมักหลงไหลหรือส่งออกไปจมแช่อยู่กับอารมณ์อันเป็นกองทุกข์มาแต่ไหนแต่ไรทําไม่เคยชินหรือด้านชากับทุกข์จนมองทุกข์ไม่ออกเมื่อมีจิตสิกขาก็จะช่วยให้จิตถอดถอนตอนเองออกจากทุกข์ได้เป็นการชั่วคราวเมื่อจิตหลงไหล หรือส่งออกไปจมแช่คลุกเคล้ากับอารมณ์อีกคราวนี้จะเห็นทุกได้ชัดเจนทราบซึ้งถึงใจยิ่งกว่าที่เคยเห็นมาก่อนสำหรับปัญญาสิคขาเป็นการเรียนรู้เรื่องทุกข์คือรูปนามด้วยจิตที่ตั้งมั่นแล้วจนเห็นแจ้งรูปนามตามความเป็นจริงว่าไม่ควรยึดถือเอามาเป็นตัวเราของเราและทราบชัดว่าเมื่อใดจิตหลงไหลหรือส่งออกไปยึดอารมณ์ เมื่อนั้นความทุกข์จะเกิดขึ้นเมื่อรู้แจ้งอย่างนี้จิตก็ไม่ลหลงไหลหรือส่งออกไปเกาะเกี่ยวยึดถืออารมณ์อีกโดยไม่ต้องพยายามควบคุมบังคับจิตแต่อย่างใดประการที่สองวัตถุประสงค์ของการเรียนคือการทำให้เกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกหรือมีสัมมาทิฐิจนเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตและสามารถมีชีวิตอยู่ได้แบบมีทุกข์น้อย หรือไม่มีทุกข์เลยนี่คือประโยชน์ที่สำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนาท้งนี้เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อสิ่งอื่นเช่นเพื่อสแสวงหาโชคลาภเพื่อแก้กรรมหรือเพื่อให้เกิดตาทิพหูทิพและอำนาจวิเศษใดๆทั้งสิน้นสิ่งที่เราเรียกว่าพระพุทธศาสนานั้นเอาเข้าจริงก็คือสัมมาทิฐินี่เองเรื่องที่เราจะเรียน คือเรื่องของชีวิตตนเองอันได้แก่เรื่องกายและจิตใจหรือเรื่องรูปกับนามไม่ใช่เรื่องที่พาให้ฟุ้งซ่านอื่นๆแต่ทั้งนี้เราควรทําความเข้าใจว่าการศึกษ า, าศาสตร์อื่นๆก็มีความจําเป็นสําหรับการดำรงชีวิตดังนั้นไม่ใช่ว่าเมื่อศึกษาทำแล้วก็ละเลยที่จะเรียนรู้เรื่องอื่นๆจนขาดความเข้าใจโลก เราต้องรู้ทันโลกจึงจะไม่หลงโลกและช่วยโลกได้ประการสุดท้ายการเรียนรู้ดังกล่าวต้องเป็นไปตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าส่งสอนไว้ไม่ใช่ตามอุบายการปฏิบัติที่ท่านผู้อื่นสอนเพราะพวกเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจะเชื่ออาจารย์มากกว่าเชื่อพระพุทธเจ้าไม่ได้และแนวทางปฏิบัติที่จะเชื่อได้ว่า เป็นของพระพุทธเจ้าจริงนั้นจะต้องอยู่ในกรอบของหลักธรรมเรื่องกิจในอริยสัจ ท, ที่ว่าทุกให้รู้สมุทัยให้ละจะออกนอกกรอบนี้ไม่ได้เด็ดขาดเช่นหนึ่งจะปฏิบัติโดยมุ่งรู้นิพพานโดยตรงไม่ได้ 2. จะปฏิบัติโดยไม่รู้ทุกคือรูปนามไม่ได้ส จะปฏิบัติโดยมุ่งละทุกไม่ได้และสจะปฏิบัติตามคำบงการของตัณหาก็ไม่ได้เป็นต้นสำหรับประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมนั้นมีมากทีเดียวเช่นหนึ่งทันทีที่รู้สึกตัวอกุศลจะไม่มีทำให้ไม่มีความทุกข์ใจในขณะนั้นพระโธมนัสเวทนาหรือความทุกข์ใจ เกิดร่วมได้กับอกุศลจิตเท่านั้นจิตที่รู้สึกตัวจะรู้ตื่นและเบิกบานมีความสุขอยู่ในปัจจุบันและเป็นความสุขที่ไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งภายนอกหรือคนอื่น 2. เมื่อเกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกเกี่ยวกับตนเองว่าตนเองไม่มีมีแต่รูปนามหรืออีกนัยยะหนึ่ง เมื่อละความเห็นผิดว่ารูปนามเป็นตัวเราหรือตัวเราเป็นรูปนามได้แล้วจิตใจจะเกิดความสงบสุขที่พระนียยิ่งขึ้นมีความอบอุ่นใจอย่างประหลาดเพราะมีธรรมเป็นที่พึ่งได้แล้วขอตอบเท่านี้ก่อนก็แล้วกัน บุญกับกุศลถามอยากทราบว่าบุญกับกุศลต่างกันอย่างไรและเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำบุญโดยไม่ต้องจ่ายทรัพย์ เนื่องจากฐานะการเงินในขณะนี้ไม่ค่อยดีนักความจริงแล้วเนื้อหาของบุญกับอุศล์ไม่ต่างกันคือเป็นเรื่องของคุณงามความดีและเรื่องของประโยชน์สุขเพียงแต่มีมุมมองต่างกันเท่านั้นคือบุญเน้นที่ตัวกิจกรรมว่าทําอะไรแล้วดีเรียกเต็มๆว่า บุญกิริยาวัตถุมีสิบประการคือการทำทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาการประพฤติอ่อนน้อมการช่วยเหลือในกิจการที่เป็นบุญการแผ่ส่วนบุญการอนุโมทนาบุญการฟังธรรมการแสดงธรรมและการทำความเห็นให้ถูกต้องตรงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ส่วนกุศล เน้นที่จิตใจอันเป็นต้นเหตุให้เกิดการกระทำความดีงามหรือละเว้นความชั่วเรียกว่ากุศลกรรมบุตรมี10ประการเช่นกันคือการเว้นจากกายทุจริต3ประการคือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์และการประพฤติผิดในการมการเว้นจากวาจีทุจริศ4ประการคือการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อ และการเป็นจากมาโนทุจริตสประการคือการเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นการคิดพลายต่อผู้อื่นและการมีความเห็นผิดหรือมิจฉาทิฐิถ้าพิจารณาถึงบุญกิริยาวัตถุจะเห็นได้ว่าการทําบุญส่วนใหญ่ไม่ต้องเสียทรัพย์มีเพียงการทําวัตถุฐานเท่านั้นที่ต้องเสียทรัพย์ส่วนกุศล น, นั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องเสียทรัพย์เลย ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของสีนั่นเองดังนั้นถ้าเรามีสีห้าก็เท่ากับว่าได้ทากุศลเกินกว่าครึ่งหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ญาติโยมควรจะทราบไว้ก็คือการทาบุญจะให้ได้ผลบุญสมบูรนั้นผู้ทาต้องมีจิตที่ดีงามทั้งก่อนทาระหว่างทำและหลังจากทาแล้วหาก่อนทามีศรัทธาระหว่างทาแช่มชื่นใจ แตหลังธ ร, รมเกิดความเสียดายหรือกลุ้มใจเพราะทําทานเกินตัวไปอย่างนี้ผลบุญไม่สมบูรณ์บุญชนิดที่กระพร่องกระแพเพงนี้หากส่งผลให้ไปเกิดจะไม่ได้เกิดด้วยมหาวิบากจิตแต่จะเกิดด้วยอุเบกขาสันติรณะกุศลวิบากจิตซึ่งพาไปเกิดในสุคติภูมิก็จริงแต่จะได้เป็นเทวดาหรือมนุษย์ที่ไม่สมประกอบดังนั้น อย่าได้เชื่อคำสอนที่ว่าให้ทุ่มทำบุญทำทานจนสุดตัวหรือให้ขายบ้านหรือไปกู้เงินมาทำบุญเพราะโอกาสพลาดจะมีสูงกว่าคนที่ทำพอประมาณหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่จ่ายเงินทำบุญเลยแต่อนุโมทนาบุญของคนอื่นคนเหล่านี้ยังจะได้รับผลบุญสมบูรณ์กว่าสอีก 3. เรื่องของศีลถามเห็นชาวพุทธชอบขอศีลจะทำพิธีอะไรก็ต้องขอศีลขอแล้วขออีกอยากทราบว่าศีลคืออะไรและสำคัญอย่างไร เรื่องนี้มีหลายประเด็นที่น่าสนใจคือ 1. ประเภทของศีลศีลคือตัวเจตนาที่จะงดเว้นการกระทำบาปอากุศลทั้งปวงทางกายและวาจามีหลายประเภทได้แก่ปาติโมกขสังวรศีลคือการระวังรักษากายวาจามีเจตนางดเว้นการกระทำผิดตามศีลหศีล 8, ศีลสิบ ศีลสี 7, ตามควรแก่สถานะอินเซียสังวรศีลคือการสำรวมระหว่างตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้บาปอากุศลเกิดขึ้นด้วยการมีสติปัญญาคอยระวังรักษาจิตเมื่อตาเห็นรูปเมื่อหูได้ยินเสียงและเมื่อใจคิดนึกเป็นต้นอาจิวะปริสุทธิศีล คือการรักษากายวาจาโดยเว้นการเลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพและมีความเป็นอยู่ที่บริสุทธิ์และปัจจยนิสศศิตาีลคือเว้นจากการอาศัยปัจจัยที่ผิดโดยเว้นการบริโภคปัจจัยสีด้วยตัณหาต้องพิจารณาก่อนจึงบริโภค 2. ความสำคัญของศี พวกเรานักปฏิบัติอย่ามองข้ามว่าศีลเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะการรักษาศีลคือการทำบุญที่พระนีตยิ่งกว่าการทำทานซะอีกทั้งยังสามารถสมาทานและรักษาได้เองและไม่เสียทรัพย์ด้วยอานิสงส์ของศีลมีอยู่มากคือเป็นปัจจัยให้ได้ไปบังเกิดในสุคติภูมิเป็นทางให้เกิดโพกทรัพย์ และเป็นพื้นฐานส่งให้ถึงนิพพานได้ด้วยเนื่องจากผู้มีศีลจะทำความสงบจิตแล ะ, จะเจริญสติปัญญาได้สะดวกกว่าผู้ไม่มีศีลเช่นเพียงแค่มันคิดถึงศีลของตนหนึ่ ง, งก็สามารถทำจิตให้สงบได้แล้วเรียกว่ามีศีลานุสตินอกจากนี้อาตมาเห็นตัวอย่างมาหลายรายแล้วเคยปฏิบัติอยู่ดีๆ พอศีลด่งพร้อยการปฏิบัติสมาธิและการเจริญปัญญาก็รวนเรไปหมดเพราะศีนคือพื้นฐานของจิตใจที่ดีงามจิตที่ใช้เจริญสติเจริญปัญญาเป็นมหากุศลจิตจะขาดศีนไม่ได้เลยสศีนที่จำเป็นจริงๆและขาดไม่ได้ก็คือศีนห้าส่วนผู้ใดจะถือศีนให้สูงกว่านั้น ก็พิจารณาดูตามความเหมาะสมแห่งสถานภาพและความพร้อมของตนเช่นเป็นครวาดย่อมถือศีลสิบได้ยากเพราะต้องทำมาหากินยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินทองแต่ถ้าเป็นพระแล้วไม่ระวังรักษาศีล227เป็นอย่างน้อยก็ไม่งามเป็นตน้นการทำผิดศีลบางข้อเป็นบาปอากุศลเช่นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์ และการพูดเท็ดบางข้อไม่เป็นบาปแต่ทำไปเพื่อประโยชน์อื่นๆเช่นการงดเว้นอาหารในยามวิการเป็นต้น 4. ศีลที่สำคัญยิ่งสำหรับนักปฏิบัติได้แก่อินเซียสังวรศีลซึ่งเกิดจากการมีสติเมื่อมีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจ สติจะเป็นเสมือนเครื่องคุ้มครองจิตไม่ให้ถูกกิเลสครอบงำจิตจะเกิดความเป็นปกติหรือศีลเป็นตัวของตัวเองตั้งมั่นไม่หลงไหลไปตามอารมณ์หรือสัมมาสมาธิและเข้าใจความจริงทั้งของจิตและอารมณ์หรือปัญญาจนจิตเป็นอิสระคือพ้นจากความยึดมั่นทั้งในจิตและอารมณ์ได้หรือ วม1 Remote.